ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นําเอารัตนสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยรัตน์ยิ่งกว่ารัตนะทั้งหลายพระสูตรที่กล่าวในวันก่อนคือมุงคนละสูตรและวันนี้เป็นรัตนสูตรนั้น คือต้องการจะนำพระสูตรที่เราเรียกว่า7ตํานานคือตํานานทั้งเจเรื่องที่ใช้ในพิธีซึ่งเป็นมงคลทั้งหลายในบ้านในเมืองเรามาเป็นเวลานานแล้วประการแรกเพื่อท่านทั้งหลายได้ทราบถึงตํานานความเป็นมาของพระสูตแต่และสูตรการที่สองเพื่อทราบเนื้อหา ของประสูติแต่ละสูตรว่าว่าในเรื่องอะไรได้มีอาธาิบายอย่างไรประการที่สก็เพื่อเป็นการเพิ่มภูนศรัทธาภาสาธะเวลาได้ยินได้ฟังประสูติ ต, ตอนนี้ประการที่4ก็คือเพิ่มแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นภายในจิตใจและได้หลักในการประพฤติปฏิบัติ รัตนสูตรนั้นถือว่าเป็นพระสูตรที่มีประวัติความเป็นมายิ่งใหญ่มากแต่โบราณบันดิตถือว่ามีนาแผ่ไปเกือบอนาจของพระสูตรแผ่ไปกว้างไรข้อความก่อนจะเกิดพระสูตรนี้นี่อยู่ว่า ในคราวหนึ่งได้เกิดทุพพิกรภัยในเมืองไพยสาลีหรือเวสาลีในแคว้นวัชีภัยที่เกิดขึ้นในคราวนั้นก็มีอยู่สามภัยด้วยกันภัยแรกก็เริ่มมาจากทุพพิกรภัยก่อนแล้วเป็นอมนุษย์สัยหรคือภัยจากอมนุษย์และภัยคือโรคร้าย ประชาชนในเมืองไพรสัลีล้มตายกันจน เ, เก็บไปฝังเก็บไปเผาไม่ทันทีเดียวตามธรรมเนียมในสมัยนั้นถือว่าเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเช่นนี้จะมีการยกขบวนคือการเดินขบวนไปหาพระราชากราบทูลเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นให้ทรงทราบ แต่สิ่งที่พระราชาจะกระทาในเบื้องต้นก็คือว่าตรวจสอบดูธรรมะของพระราชาที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติว่ามีส่วนบกพร่องอย่างไรจึงเป็นเหตุได้เกิดภัยแก่อนาปิชาราชดอนแต่เห็นภัยที่พระองค์ก็จะแก้ไขที่พระองค์แต่ถ้าไม่เห็นว่าภัยเกิดขึ้นมาจากพระองค์ก็จะอาศัยวิธีอื่นเข้าแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แ้ น, นั้นนาระชาราชดรในเมืองไผ่าลีก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันคือยกขบวนไปหากษัตริย์ทิฉวีเจ้าแห่งนครไผ่สาลีกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ท ร, รงทราบดิฉวีทั้งหลายก็ได้ไประชุมกันตรวจสอบถึงความประพฤติบกพร่องส่วนพระองค์แต่ก็ไม่ได้พบว่าใครประพฤติผิดธรรมะข้อไหน อัจจะเป็นเหตุให้เกิดภัยร้ายแรงขึ้นมาเช่นนี้ดังนั้นภัยก็จะต้องมาจากเหตุภายนอกเลภายนอกนั้นคืออะไรใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือแก้ไขภัยอันตรายเหล่านี้ได้ในที่สุดก็มีการเสนอ <c oughs> บุคคลเป็นอันมากขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือขณาจาร์ทั้งหกซึ่งมีอยู่ก่อนพุทธกาล ได้แก่พุรณักัสปะมคคิิโคสารสัญชัยเวรัตบุตปรปกุท ธ, ธกัจจยนะอาชิตเกสกัมพลและนิคโครนาธบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคโครนาธบุตรนั้นเป็นโอรสของกษัตริย์ลิจวีเป็นาศาสดาหนุ่มที่มีชื่อเสียงมากท่านเป็นาศาสดาก่อนพระพุทธเจ้าอยู่6ปีแต่วันในที่สุด มติในที่ประชุมก็ไม่เห็นด้วยคือไม่เชื่อในอํานาจบารมีหรือความสามารถของคณาจารย์ทั้งหนั้นว่าจะแก้ไขภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในเมืองไพรสัลีได้ก็ตกลงว่าในที่ประชุมก็มีการเสนอบรมุสุติเจ้าบางเกิดขึ้นแล้วในโลกเวลานี้ถ้าบารมพุทธเจ้าเสด็จมาภัยอันตรายเหล่านั้นก็ต้องเหือดหายไป ถ้าสอบถามกันว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าประทับอยู่ที่กรุงราชชึกก็โตลงส่งทูตไปติดต่อพระเจ้าพิมพิสารเจ้าแผ่นดินกรุงราชชึกขอราษนาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารท่านก็บอกว่าท่านไม่สามารถที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตได้เพระพระพุทธเจ้าเป็นศาสตราท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เป็นผู้ปกครองพระพุทธเจ้า ในสุดคนเหล่านั้นก็ไปกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าโดยเป็นความเชื่อของเขาตามตำหรับตำราที่เคยศึกษาและเรียนมาว่ารพรูุ้ทธเจ้านั้นเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเมื่อมีอันตรายที่ไหนพระองค์จะช่วยเหลือได้พระองค์ต้องเสด็จไปเพื่อช่วยเหลือขจัดปัดเป่าภัยอันตรายเหล่านั้น เมื่อเขามากราบทูลแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับว่าจะเสด็จไปแก้ไขภัยอันตรายโดยทรงสูตรตรวจ ส, สอบดูด้วยพระยานแล้วว่าการเสด็จไปของพระองค์ในคราวนั้นในคราวต่อไปนั้นจะมีผลประโยชน์อย่างมหาศาลคือภัยอันตรายจะสงบระงับอย่างสิ้นเชิง พุทานุภาพจะปรากฏเด่นชัดในแคว้นวัดชีประชาชนเป็นจำนวนมากจะบรรลุมักผลในทางศาสนาพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปในเมืองไัยสาลีเพื่อแก้ทุกภยัยก็กราบทูลให้รออยู่ก่อนโปรงขอตกแต่งสถานที่เพื่อส่งเสด็จพระพุทธเจ้า จากกรุงราชชฤคึปไปแม่น้ำคงคาก็ระยะทางห้าโยศและสมขาวไปทางวัดชีซึ่งเมืองหลวงของเขาก็ห่างจากแม่น้ำสามโยศให้ตกแต่งทางรับเสด็จด้วยในทางรับเสด็จนั้นปรากฏว่าตกแต่งกันโดยพิสดารทางป่าเป็นหนทางสําหรับพระพุทธเจ้าประสงค์เสด็จพุทธดําเนินได้เดินไป มีเกลียดทายปากททักธงชิวตอนรับกันเป็นการใหญ่แล้วก็สร้างแพรขนานให้รูุ้ตธเจ้ากับพระสงฆ์เสด็จลงที่ดึงฝั่งด้านกรุงมราชครึ่เพื่อไปขึ้นฝั่งไผ่สลีข้ามแม่น้ำคงคาไปเมื่อถึงเวลาพระพุทธเจ้าก็เสด็จพุทธดำเนินด้วยอนุภาพใหญ่คือพระสงค์เป็นบริวารเป็นนั้นมาก เมื่อถึงขวางแม่น้ำคงคาพอยกพระบาทเหยียบลงที่แผ่ยังไม่ข้ามฝากผลหายใหญ่ก็ตกลงมาอย่างแรงท่านเรียกว่าเป็นผลบกกระพัดคนปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกไม่ปรารถนาจะให้ไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกเท่เนียก็ฝนที่เคยตกในกราวประชุมพระญาตเมื่อแสดงกอ่กอนแสดงเวสันต์ชาดก อาศัยที่ฝนตลกมาอย่างแรงนั่นเองทำให้น้ำชะลางสิ่งสุขปกปลกต่างๆตะโดดถึงซากศพตั้งโค้งคนของสัตว์ที่ยงลงมนน้ำคงคาเมื่อฝนหายแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จข้ามไปขึ้นอีกภาคหนึ่งเทือเทพทั้งหลายก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าบรรดามนุษย์ทั้งหลาย ถูกอำนาจของเทวานุภาพบางพุทธานุภาพบางก็ตกใจหวาดกลัวหนีไปหมดสิ้นพระพเจ้ารับสั่งเรียกพระอานนท์ให้มาเรียนรัตนสูตรแล้วก็ให้ตักน้ำใส่บาตรประพรมน้ำพระพุทธมนต ไปรอบกำแพงเมืองไัยศาลีในที่สุดโรคภัยไข้เจ็บก็หายจากเมืองไัยสาลีประชาชนต่างก็ชื่นชมยินดีที่ตนรอดจากพ น, พนจากภัยอันตรายเหล่านั้นก็พร้อมเพียงกันมาฟาดพระพุทธเจ้าเป็นนั้นมากและพระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนา หลายข้อหลายตอนหลายสุรหลายครั้งในสมาคมเหล่านั้นทําให้ประชาชนในกรุงไพายสาลีและในแคว้นวัดชีคือแคว้นน้ำมันใหญ่กว่เมืองหวงหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกและบรรลุอริยผลกันเปน็นนันมากจนข้อความในพระสูตรนั้นเริ่มต้นด้วยการ ประกาศแก่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ขึ้นต้นด้วยคําว่ายานีตะูตานิสมากตานิภุมานิวายานิวอันตลิเคคือบรรดาพูดทั้งหลายลุกเทวดาทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดที่มาประชุมกันในสถานที่นี้ก็ขอให้อมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นมาฟังทำ แล้วก็ให้หลีกไปจากที่นั้นซึ่งข้อความนั้นข้อความรายละเอียดนั้นจะกล่าวในโอกาสต่อไปคือมีเรื่องมีเรื่องแยะ <c oughs> ประเด็นที่น่าศึกษาในที่นี้เพราะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับคนนั้นก็จะไปเจอในที่อื่นอีกยึงจะนำบางข้อมาพูดเฉลยเพื่อไม่ต้องกล่าวซ้าในที่อื่น ประการแรกก็คือเรื่องของเมืองไัยสาลีไัยสาลีหรือเวสาลีถ้าไัยสาลีก็เขียนเป็นสันสกฤตเทเวสาลีก็เขียนเป็นบาลีเท่านั้นเองก็อยู่เป็นเป็นเมืองหลวงอยู่ในแคว้นวัดชีซึ่งปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมเป็นสภาลิชวีคือกษัตริย์ในลิชวีร่วมกันปกครองคือราชวงศ์ลิชวีร่วมกันปกครอง ตั้งแต่สภาการสัตย์สภามุกมนตรีต่างๆก็เป็นราชวงลิชวีท่างนั้นเวลามีเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรจะตกลงจะจัดสินปัญหาอะไรจะทําอะไรก็ประชุมกันทั้งหมดการปกครองในแนวนี้ก็มีอยู่หลายหลายแคว้นในสมัยนั้นคือมหาชนบทในสมัยพุทธกาล น, นั้นก็มีม้าชนบทใหญ่16แคว้นและมหาชนนบทย่อยอีก5แคว้น รวมแล้วก็21่สิบแคนด้วยกันแควนวัชีนั้นก็อยู่ในประเภทที่เรียกเป็นมหาชนบทคือชนบทใหญ่สิบหกแคนเติร์นตะเรียงเป็นคู่คู่ไปอังคามกะทกาศีโกสลวัชีมันละเจตีวังะกรุปัญจาละมัชชะสุรเสนาะอัศกะอวันตีกันธาระคำโพชะต่อไปก็มาชนบทที่เล็กลงมาหน่อยหนึ่ง กสกกะโกลิยะวิเทหะอังคุตราปะพวนี้ถือว่าเป็นแคว้นที่ย่อยลงมาบ้านเมืองในสมัยนั้นปกครองกันอยู่สองแนวอังคามคตกาศีโกศลพวกนี้ปกครองในแนวที่เรียกวาราชาธิปไตยราชาเป็นผู้บริหารสูงสุดในบ้านในเมืองนั้น แต่ข้างล่างมีเป็นรูปสภาลดหลั่นกันลงไปจนถึงก็เรียงเป็นคามนิคมชนบทราชธานีคือสภาคามสภาหมู่บ้านหรือสภาตำบลนิคมก็คล้ายๆอำเภอชนบทก็คล้ายๆจังหวัดราชธานีก็คือตัวเมืองหลวง แ, ลแสดงเห็ุแห่งความเจริญก้าวหน้าในด้านการปกครองในสมัยโบราณโดยเฉพาะออย่างยิ่งคือสมัยพุทธกาล ว่ามีระบบการปกครองที่ฟังเสียงของประชาชนประชาชนไปมีส่วนมีเสียงในการบริหารบ้านเมืองและถ้าไปศึกษาข้อปริย่อยต่างๆแล้วจะพบสิ่งที่ทน่าทึ่งแล้วก็น่านับถืออยู่มากด้วยกันเชื่ว่าสมาชิกของสภาคามนิคมชนบทรราชธานีก็ตา่าง จะต้องเป็นผู้เคร่งครัดในกฎระเบียบต่างๆแม้แต่เวลาเข้าประชุมจะต้องประชุมพร้อมกันเลิกประชุมจะต้องพร้อมเพลียงกันเลิกดังนั้นท่านทั้งหลายที่เคยได้ยินอภาหานิยธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงแก่เจ้าลิชศวิขดีแสดงแก่พระก็ดีนั้นก็เป็นลักษณะของการบริหารบ้านเมืองในสมัยนั้นแล้วก็สรุปย่อลงมาเป็นการบริหารสง ก้อนก็ให้พร้อมเพียงให้ประชุมกันหนึ่งนิดก้อนสอเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันปฏิบัติภารกิจที่ตนจะต้องจัดจะต้องทํและในการประชุมนั้นก็มีข้อแม้ว่าจะไม่บัญญัติสิ่งที่โบราณบันดิตไม่ได้บัญญัติขึ้นจะไม่เพิกถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว แต่ละคนมีหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แบบแผนที่โบราณบัณฑิตบัญญัติไว้ฉนั้นก็ในบ้านเมืองแต่ในาศาสนาก็สามก็เปลี่ยนเป็นว่าไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นไม่เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปแล้วสมาทานศึกษาสำเน็จ <c oughs> ประพฤติปฏิบัติเฉพาะข้อที่ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วข้อที่สี่ก็ให้เคารพประมุข ค, คือผู้เป็นหัวหน้า เอาขวัพระก็พูดเรื่องของพระฝ่ายค า, ารวะก็พูดเรื่องของค า, ารวาะนี่เป็นการแสดงถึงหลักของการบริหารที่ออกจะเข้มงวดเคร่งครัดมากเล่นปรับกันทีเดียวขนาดสภานิคมการประชุมพระครั้งหนึ่งปรับห้ากหาประณนะก็ไม่ใช่น้อยนะเรามาใช้ที่เมืองไทยรัฐคงได้เงินเยอะนี่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของ บ้านเมืองของโลกในะยุคในสมัยต่างๆพอพูดไปพูดมาก็บางจุดนั้นชุกสมัยปัจจุบันก็เจริญกว่าบางจุดเขาอาจจะเจริญกว่าแล้วก็หลายจุดด้วยซ้าไปเมืองไผ่สารีที่ชื่อว่าเมืองไผ่สารีแปลวกว้างขวา ง, วางรือกว้างใหญ่เนื่องจากมีการขยายกำแพงเมืองตั้งเจ็ครั้งเวยกันเพราะจานวนคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ขยายกำแพง กำแพงเมืองเพิ่มขึ้นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองนี้ชื่อวาลิชวีซึ่งแปลได้สองคำว่าผิวย่นหรือว่าผิวใสมีเรื่องที่ท่านเล่าย้อนไปอีกทีหนึ่งก็ยุ่งะพอก็เรื่องรามเกียร์นก็ยุ่งเล่าย้อนไปอีกทีหนึ่งว่าพระเจ้ากรุงพาราณสี ซึ่งมีเมห์ศีอยู่หลายพระองค์โดยเฉพาะ อ, องค์พระเมห์ศีผู้ใหญ่นั้นเวลาทรงประคารก็ทรงประคารไล่เลียกกันใกล้ใก้กันพระเทวีองค์อื่นประสูติพระโอรสปธิดาก็แบบคนทั่วไปแต่พระเมห์ศีองค์ใหญ่นั้นประสูติออกมาเป็นก้อนเนื้อ ก็เกิดตกกระไทยและกลัวว่าจะมีคนไปเพชรพูลใส่ร้า ย, รายพระองค์ในถ้ำกลางพระเทวีทั้งหลายจึงได้จัด ก, การเอาไอ้ก้อนเนื้อเหล่านั้นใส่ภาชนะใส่กล่องแล้วไปฝังไว้พร้อมด้วยเขียนบอกเรื่องราวต่างๆไว้ต่อมาท่านดาบทตนหนึ่งได้มาพบไอ้กล่องนั้นข้าวก็นำไป อยู่ระยะเวลาหนึ่งกล่องนั้นเอก้อนเนื้อนั้นก็แตกออกกลายเป็นเด็กสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนมีรูปร่างลักษณะงดงามแต่ผิวนั้นใสคือมองไปเหมือนจะเห็นกระดูกหรือบางทีท่านก็แปลผิวย่นไอ้คว่าลิชะลิชะจวีนั่นก็จะไอ้ลิเนี่ยลิเนี่ยอาจจะแปลว่าย่นๆก็ได้อาจอาจจะแปลว่าใสาก็ได้ ตกลงว่าไม่รู้ว่าผิวแกเป็นยังไงตอนนี้แกก็ตายหมดแล้วทีนี้ท่านเหล่านั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูบำรุงจากท่านดาบทดาบททราบเรื่องราวความเป็นมาว่าคนทั้งสองนี้เป็นราชกุมารราชกุมารีเห็นว่าจะให้อยู่ในป่าในเขาก็ท่านคงจะไม่ดีแต่แสดงเห็นตังบุญญาธิการมากด้วย จึงได้นําไปมอบหมายในายโคบานคนหนึ่งแต่คำว่านายโคบานนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าคนเลี้ยงโครธรรมดาสามัญ น, นะครับคว่านายโคบาลในความหมายที่ท่านกล่าวถึงนั้นบางครั้งบางคราวนั้นหมายถึงเจ้าของโคที่มีโคเป็นแสนคือเจ้าฝูงของโครเราเรียกว่าอาสะพะวาสะพะอุสะพะ พวกวาสภะพะเนี่ยมีโคที่เป็นบริวารตั้งแสนอาสะพะมีโคที่เป็นบริวารหมื่นหนึ่งอุสพะมีโคที่เป็นบริวารพันหนเจ้าฝูงก็งงโควันคนบางคนเลี้ยงโคเป็นแสนไถานาครั้งหนึ่งมีไถห้าร้อยไถเรียงเป็นแถวไปเลยนาก็เป็นแสนแสนไร่กันวันก็เป็นยุคของเกษตรกรรม เศรษฐีในสมัยนั้นเป็นเศรษฐีทางเกษตรกรรมเกษฐีทางการค้าเกวียนกับค้าทางเรือท่านแต่าอาศัยที่แก่ทานามากหลือเกินศาตว์ก็มากบริวารก็มากอะไรแต่อะไรก็มากเลยก็รวยกันใหญ่แล้วก็นับโคกันรู้สึกว่าเป็นมาดในการนับว่าใครมีโควมากมันก็รวยมากออท่านนายโคบาลนี้ก็นําราชกุมารราชกุมารีเหล่านั้นไปเลี้ยงเอาไว้จนเจริญเติบโตอายุ16ปีพิจารณาเห็นว่า เขาเป็นเนื้อหนอกษัตริย์ก็ควรจะได้เป็นกษัตริย์แต่ก็สร้างเมืองให้อยู่แล้วก็ทั้งสองนั้นแต่งงานกัน่อแต่งงานกันแล้วก็เจอพันลูกโดก็พอดีคลอดออกมาเป็นคู่เป็นคู่ตั้งสี่หกคู่เลยก็แต่งงานกันต่อแต่งงานกันต่อต่อต่อต่อกันมาเรื่อยคือแต่งงานกันในพี่ในน้องออจนในสุดบ้านเมืองก็แคบข้าวแคบข้าว ก็ขยายเมืองออกขยายออกไปเรื่อยๆในสมัยพุทธกาลนั้นมีกลุ่มชนเหล่านี้เป็นหลายหมืน่นหลายแสนนัก น, นี่ก็เป็นการเล่าย้อนหลังไปถึงความเป็นมาของพวกคิชวีทีนี้ปัญหาที่น่าศึกษาประการต่อไปก็คือว่าลักษณะทางสังคมของอินเดียยุคพุทธกาลคือไม่ใช่อินเดียแล้ ว, วที่จริงก็ชมพูทวีป ย, ยุคพุทธกาล มีคนสนใจศึกษาในเรื่องของธรรมะกันมากแต่มีคนระดับเป็นคณาจารย์เจ้าลทัทธิที่ดังๆก็มียศหกท่านอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่ดังมากก็คือท่านวัฒมานหรือมหาวีระหรือนิคโครนัถบุตรเราเรียกกันหลายชื่อแต่นนิครนัตบุตรนั้นมีประวัติที่ออกจะแปลกคือไปเรียงประวัติเอาใครพระพุทธเจ้าเราจนยุ่งไปหมดเลยเวลาอ่านแล้วก็อ่านลําบาก คือแกโมเมเอาอะไรของพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้ในเรื่องของแกยะแม้แต่รูปร่างก็สร้างให้ปฏิมานะฮะก็สร้างให้ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าจนคนไทยที่ไปอินเดียนี่ถูกหลอกต้มให้ว้มยหมาวิระจะไปอยคือมันดูไม่ค่อยออกคล้ายคล้ายพระพุทธรูปแต่ว่าท่านไม่นิครณ น, นะฮะปลวปราทปราตจากเครื่องร้อยรัดคือไม่มีผ้านุง่ง เรียกว่าที่คําพรคือนุ่งฟ้าเ อ, อ่อต่อมาก็มีในตอนหลังมีก็มีเสเวตตามพรจะนุ่งขาวห่มขาวแต่ว่าเป็นเรื่องยุคหลังตอนใกล้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วพวกนี้ก็แตกออกเป็นสองนิกายาาจาัจจะไอสัจสดาก็ตายท่านวัตมานหรือหมหาวีระหรือนิโครณ น, นาถบุตรที่เราเรียกนะฮะเราเรียกเขาว่านิโครณ น, นาถบุตรแต่ชื่อก็จริงชื่อวัตถมาณ เนมิตกานามเขาชื่อว่ามหาวีระคำว่าเนมิตกานามนั้นคือชื่อที่เกิดขึ้นจากความสามารถพิเศษของท่านท่านปราบม้าพยศได้ซึ่งใครปราบไม่ได้บิดาจึงเรียกชื่อว่ามหาวีระแปลว่าผู้ที่กล้าหาญอย่างมากแต่ลักษณะประวัติตอนนี้ก็คล้ายๆกับพาขุนรามคำแหงที่ชนะพะ่อขุนสามชนเจ้าเมืองชอ่ด หรือคล้ายๆการเล็กซันเดอร์มหาราชแข่งแคว้นมาซิโดเนียของกรีกประวัติคล้ายๆกันตอนตอน้ตนๆต่อมาท่านก็เกิดเบื่อหน่ายแล้วออกปวดในาศาสนาเชนซึ่งเป็นาศาสนาประเภทอเทวนิยมไม่ยอมรับอำนาจทเทพเจ้าคู่กับพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าบรรดาศาสน า, าทั้งหลายในอินเดียถ้าไม่นับพระพุทธศาสนาในาศาสนาเชนดีที่สุด มีคำสอนลึกซึ้งคงขายมากไพเราะแต่เสียนิดเดียวคือทรมานตัวแต่นั่นเองทรมานตัวได้รับความลำบากด้วยประการต่างๆเบล น, นี้ก็มีอยู่มากในอินเดียถ้าฤดูร้อนเขาจะไปนั่งอยู่กลางแดดผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งฤดูหนาวก็ไปนั่งอยู่กลางหิมะนั่งอยู่กลางหาวกลางไอ้ลานที่ลมพัดแรงทั้งลมหนาวทั้งความหนาวทั้งลมหนาว เสียดแทงเพื่อเป็นการทดสอบความอดทนของท่านแต่ท่านไปที่พาราณสีจะพบว่าก็มีอยู่ยต้นหนึ่งนะขนับต้นนอยู่ใกล้ๆสถานเอกใกล้สถานีรถไฟนี่เก่งกาจสามารถคือจะทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติทั้งหมดแต่ที่ร้ายก็คือทรมานตัวปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอย่างนั้นอยู่ มีประชากรนับถือก็หลายล้านเหมือนกันทุกวันก็คงจะไม่น้อยกว่าเจ็ดปดล้า น, นแต่ก่อนนั้นก็มีรา6หล้านแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าท่านก็เป็นาเป็นราชกุมารของลิจวีเขาแต่ยามมีอันตรายขึ้นแทนที่ญาติพี่น้องจะนึกถึงญาติพี่น้องที่มีอานุภาพมากก็กลับไม่มีใครนึกถึงและไม่มีใครเชื่อมือด้วย แสดงว่าไม่เก่งเท่าไหร่เมื่อวันซืนนี้ไปอบรมที่สงขาก็คุยกับพระบอกว่าพระวัดไหนก็ตามถ้าสมผานเอ่ถ้าชาวบ้านข้างวัดเข้าวัดแล้วก็ใช้ได้ยกตัวอย่างเมื่อก็ น, นังตะลุงคือถ้าเล่นบ้านเองมีคนดูแล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าหากาต้องไปเล่นบ้านอื่นจึงมีคนดูก็เรียกว่าต้องใช้เวลานาน เพราะในความเก่งกาจสามารถของวัฒนาร์จึงน่าจะมีปัญหาว่าคนในไม่นับถือแต่คนนอกนับถือถึงลักษณะเหล่านี้ท่านทั้งหลายอาจจะนึกดูตัวอย่างในเมืองไทยเรามีเยอะนะฮะสำนักบา ง, บางแห่งเวลาคนไปกันเป็นคันรถคันรถคนข้างวัดก็บอกหมูมาแล้วมากันเป็นกันคันเลยนี่แสดงว่าออมีปัญหาในตัวเองว่าคนข้างวัดไม่นับถือ จะคนข้างนอกนับถือจะ แ, แม้แต่ออกนอกประเทศมันก็พอนึกอะไรกันออกได้บ้างแต่ดังนั้นท่านมหาวีระซึ่งซึ่งเราดูเหตุการณ์ว่าอย่างที่บอกท่านทั้งหลายมาแล้วนะฮะว่าไอเหตุการณ์ของพระสูตรนี่เราจับไม่ได้ว่าปีที่เท่าไหร่ตั้งแต่จัดสรูปมาแต่ถ้าดูเปรียบเทียบในจุดอื่นๆแล้วแสดงว่าไม่เกินเจปีนะก่อนการจัดสรุปหลังกัดหลังการจัดสรุป เพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชเชืกอแล้วก็ไม่ห่างจากไผ่าลีเท่าไหร่ยังไม่ได้คัดเสด็จเข้าไปไผ่าลีเลยเพียงแต่ข่าวคราวลือเข้าไปในไผ่าลีเท่านั้นเองแสดงว่าตอนสัสรู้ใหม่ๆตึองอาจจะแถวสามสีป่ปีหรือสามปีได้ท้ไปสามปีหลังจากหลังจากสัจสรู้คือก่อนเสด็จกรุงกบินลพัทน์ ทีนี้ในที่ประชุมนั้นก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ยอมรับนับถือขณาจารย์เจาหาที่ทั้งหกเลยไม่เชื่อในอนุภาพมันจะสามารถขจัดอันตรายตั้งสามอย่างนี้ได้ประคนล้มตายกันอย่างใบไม้ร่วงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมันก็แทรกซ้อนขึ้นมาอีกแได้วยความหิวโหวยอดจา ก, กสารพัดอย่างดังนั้น ก็ปักใจเอาที่พระพุทธเจ้าทาั้งๆ ท, ท, ที่เป็นข่าวเลยนะฮะพระพุทธเจ้านั้นใครไม่เคยได้ยินอนุภาพแต่วไม่เคยเพบเห็นอนุภาพของพระองค์แต่เขาเชื่อตามตำนานเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานและเล่าขานในลักษณะนี้เราลองสังเกตว่ามันมีอยู่ทุกแข่งของโลกอย่างแถวตะวันออกกลางก็รอคอยไม่สวยอา อินเดียนี่ตอนนี้ก็รออะไรลนะนาฬิการวตานปางที่ปังที่สิบไทยเรานี่รอธรรมิกะมหาราชไอ้ฝรั่งนี้ก็รออัศาวินมาขาวมามามาก็มาดำๆต่างๆช้ำเลือดช้ำหนองมาไอ้มาขาวจริงๆก็ไม่ค่อยมีเออทีนี้พระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลในฝัน ที่คนรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วโลกจะเป็นอย่างไรนะพระองค์จะอยู่ในฐานะอย่างไรในคําบาลีประโยคหนึ่งที่ว่าบุทโธโลเกอปัโนเนี่ยครับพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี่มันลพลือแพร่สะพัดคนเดินทางกันมาเรียกว่ า, ามาหมดแรงคนหมดแรงคลานกันมาเลย น, ะนี่แสดงให้เห็นถึงว่าในความทราบซึ่งใน พรกเกียรติคุณของพระพุทธเจ้านั้นอยู่แล้วภายในใจของคนทั้งหลายอย่าที่เคยเล่าให้ฟังในเรื่องของทานาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นพอได้ยินเท่านั้นเองไม่แม้จะว่าไปเห็นไปเห็นอะไรหรือแม้แต่เรื่องของพราหมณ์ภาวรีก็มีลักษณะดังกล่าวพอรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกลักษณะได้ทันทีเลยโดยเทวดาแม่แต่อธิบายให้ว่าลักษณะเป็นยังไงแต่ท่านอธิบายลูกศิษย์ท่านได้ว่าลักษณะเป็นอย่า ง, งานาัน้นอย่างนั้นอย่างนั้น คนที่เป็นพระพุทธเจ้าพระตำนาหมหาปริศลักษณะนั้นเป็นการศึกษาควบคู่อยู่กับพวกพระเวทคือปนเปนยโยกาเนื้อหาวิชาเหล่านั้นแล้วก็ศึกษากันมานานแล้วด้วยแต่นั้นจึงมุ่งมั่นมาที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ดูไม่ค่อยรู้พิธีรีตองอะไรเท่าไหร่หรอกเป็นเรื่องใหม่ๆแต่แทนที่จะมาติดต่อกับพระพุทธเจ้ามาขอจากพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปิมิสารก็แสดงฐานะเป็นลูกศิษย์เต็มที่เลยคือท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดราของท่านพระุทธเจ้าเสด็จก็เสด็จไม่เสด็จก็ไม่เสด็จแต่เสด็จท่านก็จะส่งเสด็จให้แต่ลงว่าเมื่อมากราบทูลพระพุทธเจ้านั้นอันนี้เราต้องมองนะฮะว่า เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้ที่เกิดอันตรายขึ้นมานั่นแต่จาเป็นจะต้องรอเหตุปัจจัยหรือเข้ามาสนับสนุนการทำงานโดยไม่มีแผนงานอะไรไม่มีเหตุปัจจัยคาดสนับสนุนอะไรมันก็ทำงานอะไรไม่ได้งานของพระพุทธเจ้าทุกอย่างจะมีความกระชับรัดกลุมมมีเหตุปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนพร้อมที่จะทางานแล้วไม่มีผิดพลาดเลย ดังนั้นจึงต้องรอเหตุปัจจัยเหล่านี้เข้าสนับสนุนพระเจ้าพิมพ์ิสารแต่ที่จริงก็เป็นเรื่องที่ออกเจ็บแปลกนะครับว่าในคราเสเดจไปเมืองอื่นๆก็ไม่เห็นเอาพิธีรีตองกันอย่างนี้แต่มาตอนอ่านใหม่ๆก็ยังคือตอนเรียนมานะฮะยังนึ ก, กว่าเอ๊ะทำไมคนก็ป่วยตายกันพลอยพลอยลยอ ย, อ ย, อยจะมาถางป่าอยู่อีกทาไมไม่รีบไปเข้าพีรู้ อันนี้เป็นการเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับการทำงานของคนระดับประราชาที่ขนาดนั้นคนมากมายกายกองลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามีเป็นแสนนะฮะในกรุงราชเครึเทศข่าวแรกก็ตั้งสิบ2อดบแสนแล้วไม่ใช่11 1สิบสองหมื่นแล้วเออก็ไม่ใช่เป็นเรื่องช้าอะไร ในที่สุดเมื่อเสด็จไปถึงก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าพุทธานุภาพด้วยก็เทวานุภาพด้วยกรบันดาลให้ฝนตกลงมาชำระล้างสิ่งต่างๆทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงโน้นว่าทำไมจึงตกแต่งสถานที่กันอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เมื่อเสร็จเรื่องจบประสูทธ์เนี่ย คือเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วกลับมาสู่กรุงราชสกุแลแดนนี่พิสุตั้งหลายก็เกิดสงสัยว่าทำไมการเสด็จของพระพุทธเจ้าคราวนี้จึงมาโหฬารพันลึกจริงๆคือระยะทางแดโยชน์นั้นประดับประดาตกแต่งเรียบพลเดินเป็นแถวแถวได้มาเป็นร้อยๆแล้วกองทัพพระเจ้าพิมิสารก็ส่งเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาได้ ตางนนก็เตรียมตอนรับกันเป็นการใหญ่ด้วยธรรมยเสด็จด้วยมหาอนุภาพเช่นนี้พอ้ยเจ้าท่านรับสัง่งควาบุญมันบันดาลมันถึงคราวบุญมาให้ผลเนี่ยเราก็รับสั่งเล่าให้ฟังว่าอันนี้ไม่ใช่พุทธานุภาพหรือเทวานุภาพหรือลาอนุภาพของพระราชาอะไรแต่ว่าเป็นบุญญาอนุภาพเรือมันตามมาทันพอดีมาให้ผลกันตรงนั้นพอดีเลยเรื่องก็อึดอัดตึ้ครุ้มกันใหญ่โต รับสั่งเล่าว่าบุญที่เป็นเหตุให้พระองค์ได้รับการต้อนรับและส่งเสด็จอย่างมโหฬารเช่นนี้ก็เกิดขึ้นมาจากอดีตการนานไกลพระองค์เกิดเป็นพรามชื่อว่าสังกับพรามอยู่ที่เมืองตักกัิลามีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุสิมะมานบ พ่อได้ส่งเข้ามาศึกษาในสำนักอาจารย์ทิสาปามโมกในเมืองพาราณสีเมื่อศึกษาไปจบแล้วแตนที่จะกลับไปสู่สำนักอาศัยการวิเคราะห์วิจัยศึกษาทำพิจารณาธรรมชาติสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตนอยู่ด้า น, นสุสิมะมานบไปจเจริญวิปัสนาบรรลุปจเจกโพธทิยานเป็นพระปจเจกพุทธเจ้าไปเลยไม่ได้กลับ คราวคราวหายไปพ่อก็สงสัยลูกชายจบการศึกษาแล้วหรื อ, อยังก็ไม่รู้ก็จะเตรียมสเสบียงเดินทางติดตามดูลูกชายแต่พระสุตสิมะสมานธรรพุทธเจ้านั้นมีพระชนมายุสั้นคือบรรลุปัจเจกโพธิยานเป็นพ ร, ระปัจเจกพรพุทธเจ้าไม่ทลายทัางก่อนนิพพานพ่อมาทันตอนนิพพานใช่ไหม เลยก็จัดการสร้าง JD. เจดีย์อ๋อไม่ใช่นิพพานเสร็จแล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้แล้วท่านมาถึงก็ไม่รู้จะทำไงเป็นคนมาจากต่างบ้านต่างเมืองแต่นั้นเองรู้ว่าลูกชายบรรลุเป็นพ ร, ระเจกพุทธเจ้าแล้วก็นิพพานเสร็จแล้วแล้วก็มีเจดีย์บรรจุพระทาตอยู่ท่านก็ไปนขนทรายมาเกลี่ยรบริเวณเจดีย์แล้วตักน้ามาราดปรับพื้นในเสมอ แล้วก็ผ้าอะไรที่ติดติดตัวมาก็ทำเป็นธงประดับประดาเป็นริ้วเป็นอะไรตกแต่งประดับด้วยประการต่างๆแล้วก็ไหวบูชาพระเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระประเจกพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเพราบุญกุศลเหล่านั้นก็ตามมาบรรดาลมาส่งผลให้แก่พระองค์ในช่วงจังหวะเดียวกัน เลยกลายเป็นเรื่องผสมผสานกันใหญ่โตมหาศาณเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เราก็ได้หลักอีกอย่างหนึ่งว่าด้วยวิบากขันคําว่าวิบากขันนั้นท่านอโปรดเข้าใจคือว่าไอ้ร่างกายที่ ท, ที่ที่ยังไม่ตายอะ่ะของพระอระหันต์เขาเรียกวิบากขันวิบากขันนี้ตราบใดที่ยังไม่แตกดับไปตราบนั้นจะต้องรับผลบุญผลบาปก็ไม่รู้แหละบุญบาป ตามตามกันมาทานแกทานเท่าไรแกก็ให้กันเท่า น, นั้นน่ยแต่เมื่อท่านปรินิพานคือพูดง่ายว่าท่านตายแล้วก็จบกันอันนี้ก็กลับย้อนไปอีกทีหนึ่งนะฮะเรื่องของกรรมที่เคยพูดไว้นานแล้วว่ากรรมที่เป็นอาโหาสิกรรมที่อโหาสิกกันได้นั้นคือหนึ่งกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วก็เป็นอาโหาสิกรรม สองความผิดเป็นการส่วนตัวต่างคนต่างไม่ติดใจเอาความกันก็เป็นโหสิกรรมได้นะฮะและพระ อ, ร ห, อรหันต์ที่บรรลุอรหัตมรักตัดกรรมได้แต่ว่าตัดกรรมที่เป็นปัจจุบันนะฮะว่าจากจากวันเนี้ยต่อไปเนี่ยจะไม่มีกรรมแล้วแต่ด้วยวิบากขันของท่านถ้าท่านยังไม่นิพพาน ท่านก็ต้องย อ, อยอมรับกรรมอยู่ยังยังต้องรับกรรมอยู่พระเจ้าก็เราเองก็ตั้งหลายเรื่องนะฮะแม้แต่ถูกนางกินจะมานาวิกาใส่ร้ายอะไรต่ออะไรเนี่ยถูกคนดาน่าในเมืองโกสัมพีที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นวิบากกรรมตอนนั้นได้รับสั่งเล่าเองว่านั่นเป็นวิบากกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไล่พระพุทธเจ้าจนก่อนยนานิพานยังไล่ไปทันอยู่อันนังที่ออกจากบ้านในจุนทะเกิดเกิด ทรงประชวนอย่างแรงกระหายน้ําเป็นกําลังในการดื่มให้พระอานนุ์ไปตักน้ําที่แม่น้ำกากุทานาทีพระอนุนท่านบอกว่าเวียนห้าร้อยเล่มกําลังผ่านไปน้ําก็มังคุณให้เสด็จไปข้างหน้าก่อนเถอะค่อยค่อยดื่มค่อยเสวยขุจ้าตอนรับสั่งถึงสามครั้งพระอนุ์จึงไปเมื่อไปถึงปรากฏว่าน้ําใสสะอาดแล้วก็ตักมาถวายก็เห็นเป็นอศัศจรรย์นะครับเพราะเ ว, วียนผ่านไปยกหยกไอ้น้ำมันสะอาดได้ยังไง พระเจ้าก็เล่าให้ฟังวันนี้ก็เป็นบุปผากรรมอีกอะ่ะคือในชาติก่อนพระองค์เป็นพ่อค้าในโคต่างไอ้ลาต่างนะฮะคือนําลาไปค้าขายแล้วลามันเกิดกระหายน้ําท่านเห็นว่าน้ําขุนไม่ยอมให้ดื่มก็จูงไปให้ดื่มน้ําที่ใสสะอาดด้วยเจตนาดีนะฮะแต่ก็ทรมานลาพระนรนเองท่านก็เจตนาดีแต่ทรมานพระพุทธเจ้าลาได้ดื่มน้าําใส พระเจ้าเองก็ได้สวยน้ําใสสะอนาะนี่ก็คือวิบากขันนั้นจะต้องรับผลกรรมกันอยู่เรื่อยไปเพอมองอีกจุดนี้เราก็มองอีกทีหนึ่งว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสมัยนี้ชักจะเก่งกาจสามารถคือตัดกรรมได้พระเจ้าตัดไม่ได้พระเจ้าเก่งขนาดพระพุทธเจ้าเก่งขนา ด, พ, านาดพระโมคคัลลานะตัดไม่ได้นะฮะเป็นปุญญาปาปะปะฮีโนคือละบุญบาปจากขณะนั้นเพราะกิเลสเป็นเหตุได้ทํากรรมมันหมด แต่วิบากกรรมนั้นมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าถ้าแกไล่ทันแก่ก็ทันถ้าไม่ทันทุกอย่างเป็นโหสีหมดคือนิพานมันไม่เกิดไม่เกิดไม่รู้จะไปตามจับที่ไหนกรรมไม่รู้ไม่รู้จะให้ผลอย่างไรเพราะเพราะไม่มีขันสําหรับให้แล้วไม่มีชาติไม่มีภพสําหรับให้แล้วดังนั้นในกรณีนี้จึงเป็นเรื่องของกุศลลกรรมที่ตามมาให้ ส่วนในกรณีของพุทธานุภาพที่สําแดงในการแสดงพุทธานุภาพนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมี4อนุภาพนะฮะมันไม่ใช่อนุภาพเดียวคือ1บุญญานุภาพที่ตามให้ผลสองพุทธานุภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้าสามขติยานุภาพอนุภาพของกษัตริย์ทั้งสองราชวงศ์สเทวานุภาพอนุภาพของเทวดาทั้งหลาย ก็มาผสมผสานการเป็นสีแรงแข็งขันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปแล้วว่าจริงๆก็มีอีกอันหนึ่งนะฮะบริตานุภาพอนุภาพแห่งพระประิตธคือรัตนปริทรัตนสูตรเป็นประสูตรที่ท่านเรียกว่ามีอา น, นาไปเป็นกว้างไกลเหลือเกินคือหมายความวม่าตั้งคุ้มครองกระจัดปัดเป่าพญานันตรายนั้นไปได้กว้างไกลามาก ทีนี้ประการต่อไปก็คื อ, <c oughs> อาการทําน้ํามนต์ซึ่งคนในสมัยปัจจุบันบางทีมก็อวดดีเกินไปบอกว่าในพระพุทธศาสนาไม่มีทําน้ำมนต์น้ำมนต์ทำตั้งแต่วันนั้นนะครับทมาตั้งแต่วันนั้นใส่บาตทําน้ํามนต์พรมกันเลยแหละเป็นการแก้ปัญหาทุกพิกระเยในเมืองไผ่สาลี แต่ว่าสูตรที่สาธยายนั้นเป็นรัตนสูตรไม่จะเอามาตั้งหลายสูตรอย่างที่เราสวดทุกวันในปัจจุบันนี้ถ้าให้สูตรสูตรเดียวพระก็คงชอบมั่กันในสูตรน้อยๆฉันมากๆชากบ้านเองก็ไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่อยู่แล้วเมื่อก่อนนี่สวดนานมากนะสวดต้งชั่วโมงกว่าทุกวันเราก็มาตัดตตตตั ด, ต ด, ต ด, ต ด, ตดเอาเฉพาะตัวเนื้อหาธรรมะที่เป็นเป็นอนุภาพแล้วก็ทีนี้ การประพรมน้มนตนั Z, form, ้นก็พวกกษัตริย์ดิจวีถือบาดตามหลังปราโนนก็ผ่อมก็แบบชาวบ้านที่เราทำเนี่ยดังนั้นเรื่องตรงนี้นะฮะเรื่องตรงนี้ที่จริงไม่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องที่อยู่ในอัตตกถาอัตตกถาทั้งทั้งทั้งอัตตกถาทั้งธรรมบททั้งทั้งขุตกะปาฐะเรียกขุตกะปาฐะตอนนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม25่เนเรื่องใหญ่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม25 ตีต่างว่าพระไตกะถาจารย์ท่านเขียนเอาเองสมมติว่านะฮะการพรมน้ำมนในพระพุทธศาสนาต้องมีมาแล้วไม่น้อยกว่าสองพันปีเป็นอย่างน้อยนะฮะสองพันปีเป็นอย่างน้อยหรือถ้าจะให้น้อยยิ่งกว่านั้นก็ไม่ไม่น้อยกว่าพันห้ารอปีพรมกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพอสมควรนะฮะพันหอปีนี่ก็น้ำหมดไปหลาย ทีนี่ปัญหาว่าไออนุภาพเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นเรื่องที่มีองค์ประกอบเยอะนะฮะต้องมีองค์ประกอบอยู่มากพอสมควรอนุภาพของพุทธมนต์นั้นเกิดได้แต่ต้องมีองค์ประกอบถ้าไม่มีองค์ประกอบอะไรคือทำไปแกนๆอย่างนั้นก็ผลจริงๆก็จะมีน้อยแต่ถ้ามีองค์ประกอบทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับ คือมีฐานพร้อมก็แบบเดียวกันให้ทานนักษาศีลนั่นแหละเจตองประกอบแก่พร้อมคนให้ทานของได้มากก็ดีเจตนาก็ดีนะให้ด้วยความเคารพมีความศรัทธาแล้วให้จิตใจก็ผ่องใสผู้ที่รับไปจิตใจมีศีลาจจรดีเหมือนกับดินดีหวานพืชดีนะบวกกันก็กลายเป็นสองแรงแข็งขันก็กลายเป็นานุภาพขึ้นมา เพรในพุทธานุภาพที่เกิดขึ้นเป็นพุทธมนต์นะฮะที่ปราณนนท่านเริ่มเท้าความนั้นท่านไม่ได้เอาเฉพาะตอนรัตนสูตรอย่างเดียวเขาเรียกว่าทุกวันนี่เขาเรียกว่าบทขัดบทขัดคือทํานองสารพันยะที่ว่าเขาสวดกันในวัดนะฮะนอกวัดนี่ไม่ค่อยสวดเพราะมันขีดเวลาไว้ว่าสวดมนต์สี่โมงครึ่งห้าโมงฉันเพราะงั้นเวลามันก็บีบไว้เท่านั้นน่ย ตระกีหหาเจ้าภาพจุดเทียนไม่เจอด้วยแล้วก็ช้ากันไปใหญ่ก็เลยก็สวดน้อยหน่อยพระทำไมว่าอะไรล่ะไม่ขัดข้องก็ ue, ขึ้นด้วยคำว่าปณิธานตโตปัตทายะตทธากตัศต ท, ะ ส, ะทะสะปารามิโยตาสะอุป ป, ร ป, า, ะะ ป, ร า, ปารามิโยตศสะปรมัตปารมิโยปัญจมหาปริจาเกติโสจริยาปชิปมภพเวกภาวกันติงชาติงอภินิกบนังประธานจารยง พัวทีบานลังเกมารับจิตังนะครัก็สรุปแปลเป็นบาลีว่าพระนท่านเริ่มตั้งสัตยาธิฐานโดยการอ้างเอาพุทธานุภาพย้อนหลังไปลิบโลกเลยย้อนไปนนตั้งแต่เริ่มสร้างพระบารมีบารมีทั้งสามระดับคือบารมีธรรมดา อุปบารมีและปรามัตถบารมีบารมีอุปบารมีปรามัตถบารมีนั้นที่เราเรียกว่าบารมี30ทัศคือบารมี10นั่นเองทานศีลเนคขมะปัญญาสจัจนะทีนี้ทำยังไงก็ในจุดเดียวกันนั่นเองแหละจะมีความเข้มข้นมีความเสียสละมีความศรัทธามีความมุ่งมั่นคือถอยห่างจากรูปธรรมไปเรื่อยๆนะ นั่นทั้งหลายใ ห, ใ, หให้ลองสังเกตว่าการทำที่จิตใจเริ่มประณีตนั้นมันจะห่างรูปธรรมออกไปรูปธรรมออกไปจนหมดนะฮะเนตังอมัเนโซอมันสมินาเมโซเมอัตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราหมดกิเลสหมดเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วทีนี้การให้ทานยกตัวอย่างมาในการให้ทานเนี่ยคือคนบางคนขี้เหนียวแม้แต่เพื่อนจะเดินผ่านหน้าบ้านยังไม่ให้ผ่าน กิเลสจ้างเลยนี่ก็แสดงว่าไม่ไหวฮะกิเลสทางโลภะติดแม้แต่ดินเพื่อนจะเดินผ่านนี่ไม่ได้ไม่ใจไม่มีถ้ามีอยู่แยะในโลกนี้ทีนี้ดีขึ้นไปกว่านั้นก็อาจจะให้เพื่อนเดินผ่านได้ศีรษะช่วยเหลือคนอื่นได้นะฮะถ้าว่าบริจาคแสนนึงได้เหรียญสักเหรียญก็เอาก็ยังไงมันก็ดีนะฮะ ยังบริจาคอยู่แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับมันไม่อาศัยรูปธรรมอะไรเลยเห็นว่าทานนี้เป็นการดีแล้วก็ให้จนให้อภัยเราไม่ได้อะไรแล้วนะให้อภัยให้ธรรมะเป็นทานนี้ก็เรื่องเป็นนามธรรมแล้วมันไปไปหายไปเลยคือจะติดรูปธรรมน้อยลงที่ตัวเองมีความเยอือยายมีความผูกพันมากแต่ว่าจะติดน้อยลงลงไปเรื่อยๆเลยยกตัวอย่างทานนะฮะ เช่นสมมติเราให้ ข, ข, งงบบใหข้าของเงินทองเอาระดับบารมีเนี่ยให้ข้าวของเงินทองเสื้อผ้าอาภออะไรต่ออะไ ร, ต, รต่างๆที่เราให้ได้เราก็ให้ให้ไปนี่ก็เรียกว่าฐานะบารมีเงื่อนไขปัจจัยมีเยะนะไอความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการให้เป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ก็ถือว่าเป็นบารมีแต่ส่วนจะมีคุณภาพสูงคุณภาพตามนั้นก็ต้องว่ากันเป็นกรณีกรณีไปทีนี้พอถึงฐานะอุปบารมีนั้นไม่ใช่ให้ขนาดนี้แร้ว ไม่ใช่ของนอกกายแล้วแม้แต่ในกายนี่ก็ให้แล้วบริจาคเลือดให้สภากาชาดได้บริจาคดวงตาได้บริจาคอวัยวะตับไตของอะไรเหลือใช้อยู่พอแบ่งกันได้ก็แบ่งไตให้เพื่อนที่อีกหนึ่งอะไรนี่นี่เอาหนักนะฮะเยอใหญ่ในตัวเองน้อยลงแล้วจางลงไปแยะตัดแบ่งส่วนอะไรต่อะไรของตนให้ได้พอถึงจุดหนึ่งแม้แต่ชีวิตนะ ให้ได้ลยไม่อะไรแม้ในตัวเองท่านหลายลองดูนะว่าคราวแรกมันเป็นของนอกกายของนอกกายประรารที่สองส่วนหนึ่งของกายจิตใจต้องเข้มข้นสูงขึ้นไม่แน่จริงไปไม่ได้คนเรายังเป็นห่วงเป็นใยจะบริจาคร่างกายให้สภาการชาติกลัวเขาจะเอาไป น, นอนอุจจาร์นอนปนของคนอื่นเป็นห่วงตัวเองตายแล้วยังเป็นห่วงจะนอนปนของคนอื่นอีก ก็เนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันความเยืดใหญ่อะไรเนี่ยจนติดติดหนาเตะอยู่เนี่ยแล้วก็ขูดไปเรื่อยๆขูดไปเรื่อยๆยจนถึงกับเลือดเราก็ให้ได้เลือดแย้ไปดวงตาก็ให้ได้แล้วบางทีก็ที่เขาให้อะไรนะให้ไตให้อะไรกันเนี่ยจะให้ช่วยกันแบ่งกันถึงแม้จะมันมียืดใหญ่นะฮะให้แก่อพี่ให้แก่น้องแม่ให้แก่ลกูกอะไรตัวอะไรเนี่ย ก็ถือว่าเป็นความเสียสละสูงขึ้นแล้วจนถึงกระสละชีวิตผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นปกป้องบุคคลอื่นรักษาธรรมะเอาไว้นี่เราถือว่าเป็นปรมัาธบารมีในชั้นของฐานช่างก็ทานประช่างก็ศีลมันก็คือกัรนี่ยช่างก็ศีลถ้ารักษาธรรมดาธรรมดาสุราเมระยะมัจฉะประมาณทฐานาไปแล้วบางทีก็ออกไปจากโบสถ์ก็กินล่าต่อ เออก็งอนแงนคอนแคลนงั้นยางไงก็เป็นเป็นนิดๆหน่อยๆนะฮะไม่ใช่ไม่เป็นบุญมันก็เป็นบุญอยู่ช่วงหนึ่งส่วนบาปจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ทีนี้พอศีละอุปบารมีไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะเจ็บปวดทุกทรมานหิวโหยเสียดแทงยังไงอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องลูกเทวดาที่แกแกรัรบประทานอุโบสถกึ่งหนึ่งนะฮะ คือรบาสมท า, านตอนเย็นแล้วเพราะไม่รู้เรื่องถูกเสียดแทงถูกความหิวเสียดแทงมากแกไม่ยอมละศีล น, นี่แสดงว่าไอ้คิดถึงตัวเองน้อยนะฮะคิดถึงศีดมากกว่าแล้วพอถึงชั้นปรมัตถบ ร, รมีแม้เขาจะเชื่อดเลือดเนื้อและตัวเองอยู่ในวิสัยที่จะทำได้นะฮะในสมยัยพุทธกาลในพระองค์ถูกงูกรีน ตูงือกืนท่านก็รีบท่านก็รีบเจริญวิปั ส, สนาอาศัยไอ้ทุกเวตนาเวทนาส ต, ติปัฏฐานเนี่ยเวตนาที่ถูกไอ้มข้าไปอยู่ในในในในปากงูเนี่ยบรรลุอรหัตก่อนก่อนมิตดแต่ก็มีพระทวดอง์อีกองเมืองไทยในงูกลืนกันงูเหลือมกลืนท่านเอามีดโกนขั้นอย่างเงี้ยกือชื่อชื่อปากมันก็ขาดเรื่อยๆกลืนเข้าไปตั้งแตไหนมันก็ขาด คือนี่ก็ท่านไม่ยอมนะฮะท่านไม่ยอมท่านท่านก็รักษาศีลอีกระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ศีลระดับปรมัตถบรมีคือถ้าระดับปรมัตถบรมีแล้วเราก็ต้องยอมตายคือถ้าเราฆ่าเขานี่ฮะจะมีคนเดียวพูดว่าพระพกปืนเนี่ยมาเองอาจารย์นพไปทําอะไรเราทําอะไรได้ลรอพระคือยิงเขานี่ปาราชิกนะติดคุกด้วยปาราชิกด้วยติดคุกด้วยแล้วมันเรื่องอะไรทําลายความดีของตัวเองนะมากมายอย่างนะั้น ไอ้สมบูรณเราเขายิงเราก็ยิงไม่ยิงเราก็ตายาตา ย, ยิงได้วันนี้ตายวันนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องตายพรุ่งนี้ก็มันก็คือการนั่นแหละแต่นี้มันก็อยู่ที่ความคิดนะฮะเรยจะเห็นว่าพระทูดงด้วยกัน อ, องค์หนึ่งถูกงูกรีนท้าก็ปล่อยให้กรีนแต่ก็รีบรีบเอาแขนเนี่ยฮะกันไว้เพื่อ<ๆ>เพื่อเพื่อจะ<ๆ>เจริญวิปัสสนาให้เสร็จแล้วบรรลุอรหัตพร้อมก็ตัวเองก็ถูกงูกรีนเข้าไปองค์หนึ่งท่านมีมีดโกนนะฮะ เกื่อนก็ไปตื่นขึ้นมาล่วงไม่โกนในย่ามก็มาขวางปากงู้ตรงนี้เกื่อนหืจืดจืดจืดแล้ว ง, งูก็ตายเลยบอดี <laughs> ก็ก็แน่เหมือนกันนะฮะแต่มันไม่ใช่เป็นบารมีนะฮะเราจะเห็นว่าเราไม่กล้าเสียมันก็อาจจะอยู่ในชั้นศีลบารมีก็พอไหวนะพอพอเอาก็จริงเอาก็ไม่เอาเอะเอาเอารักษาตัวไว้ก่อน <laughs> เอาศีลไว้ที่หลังสมาทานเอาใหม่อันนี้ก็ก็แล้วแต่ใครจะคิด เนี่ยชั้นเดียวกันเราจะเห็นว่ามันลึกลงไปที่จริงธรรมะนี่มันอยู่ที่ลึกลงแดานั่นเองนะฮะลึกลงดานั้นเองเราพูดไปพูดมาเราก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญากันตั้งไม่รู้เท่าไหร่ในร้อยกว่าครั้งแล้วสกว่าครั้งแล้วมันก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างนั้นแหละแต่พูดในแง่ไหนในมุมไหนมันก็ลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในขอบข่ายของศีลสมาธิปัญญาอย่างนั้นเองไอ้กิเลกก็โลภโกรดหลงนั่นเองนะขัดเราได้เท่าไหร่ก็ไม่โลภไม่โกรดไม่หลงนั่นเองแต่มันก็ประณีขึ้้นนนาดดไหหก็เรยยังงพููออ่่ืีละ ทีนี้ <c oughs> เสร็จแล้วอะไรล่ะปัญจมห า, ราหบริจาคบริจาคหอย่างนะฮะบริจาคมาตั้งแต่วัตถุสิ่งของอะไรอะไรเรื่อยมาจนยานพานะอย่างอย่างอย่างในเรื่องประเวทสันดร น, นะฮะจนถึงก็บริจาคหายไปเลยบริจาคได้ทั้ง5้าอย่างถึงชีวิตร่างกายหมดเลยฟักในตาบริจาค ก, ก็ได้นะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ย เอาตาให้ก็ได้เอาก็ได้เอาลูกเอาเมียก็ได้รับสมบัติก็ได้ว่าอะไรให้งั้นน่ะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะนี่ก็เรียกปัญจามาบริจาคคือบริจาคได้ทั้งหมดตั้งหยาไปสุดเนี่ยก็จนถึงชีวิตไปติดโสจริยานะจริยาสาประการจริยาของพระพุทธเจ้าสาประการนั้นก็คือเริ่มด้วยโลกาธจิจารยา บำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่เป็นโลกาอุกัมปโกคือผู้อนุเคราะห์โลกอย่างพุทธกิจห้าอย่างอันนี้ท่านต้องมองย้อนประศูน์ข้างหลังนะฮะที่ผ่านมาแล้วออที่เคยเล่ามาว่าพระพุทธเจ้ามีพุทธกิจอยู่ห้าอย่างตอนใกล้รุ่งทุกใกล้รุ่งทุกขคืนจะตรวจดูสัตว์ตัวโลกที่เรียกว่าผู้เป็นพุทธเวรในคือคนที่สามารถสอนให้รู้ธรรมะได้และจะเสด็จไปโปรด นี้เป็นโลกาโนกรรมปรโกเป็นพุท ธ, ธะจริยาบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าสเสด็จไปในบ้านในเมืองต่างๆ ต, ต, ตลอดประชนมาชีพนะฮะสามสิบห้าปีถึงสามหกปีย่างนะฮะถึงแปดสิบปีก็สู้พระสมัยนี้ไม่ได้นะฮะมาสมัยนี้บินไปพูดนะยังไม่ค่อยยังยั ง, ย, งยังเรายังทำงานไม่ได้ใกล้เคียงพระพุทธเจ้าไม่เห็นฝุ่นเลย ต่อไปก็ยาตต ะ, ะจริยาทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาตในฐานเป็นพระญาตอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระ เ, าะเจ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ถ้าพระญาตแล้วถ้าเฉียดๆไปนิดๆนะฮะไปห้ามปรามการรบไปชี้แนะในลักษณะการประชุมที่เป็นธรรมอะไรต่อไรเนี่ยตลอดถึงดึงเอายาติออกไปบวชคือิ๊ เรียกว่าบังคับกลายๆอย่างเอาพระนนบวชเนีย่ยก็าบังคับกลายๆนี่ก็เป็นยาต่ทจริยาพราะทรงเห็นว่าสิ่งที่ระท่านเหล่านั้นจะได้นั้นมากกว่าทรัพย์สมบัติที่ ท, ท, ท, ที่ที่ตั้งกำบังสวยสุขจูแล้วพุทธะจริยาก็คือจริยาในฐานะเป็นพระพุทธ เ, ทเจ้าปฏิบัติภารกิจของพระองค์เป็นพ่อเป็นาศาสดาเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างพระพุทธเจ้า ภาพการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาพที่มีความจึงตราสูงมีความประทับใจมีความเลื่อมใสถ้าหลับตาศึกษาหลับตาพิจารณาตามไปนั้นท่านจะเห็นว่าเราจะได้ปีติในส่วนพุทธคุณนี้มากเลยกันคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นเอาสักอะไรจำนวนบาลีตันว่าเซี่ยวที่สิบหกกันแบ่งแล้วสิบกครั้งคือคือไอของมันมีสิบกส่วนนะแล้วเรา เราแบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งย่อยอีกออกเป็นสิบหกส่วนของพระพุทธเจ้าเนี่ยครปฏิบัติภารากิจในจริยาทั้งสในฐ า, า, านะที่เป็นสมาชิกของสังคมในฐานะที่เป็นสมาชิกของสกุลในฐานะที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานโดยเสด็จรอยบาททุคนของพระพุทธเจ้าได้สักระดับหนึ่งก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าควรแก่ฐานะของปูชนียบุคคลได้เป็นอย่างสูงทีเดียวนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ ทิดโซจรยิยาต่อไปก็เป็นช่วงหลังนะฮะช่วงที่เป็นพระโพธิไม่ใช่ช่วงที่ประสูตรปฏิสนธิในคันของพนางสิริมหมายาเรื่องรัตนสูตรก็ออกอ ย, ยาวนะยังไม่เข้าเนื้อประสูตรเลยสักหน่อยหมดตรงเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทนีที่สุดนี้ก็ขอราธนาคุณพระศรีรัตนใจได้โปรดดลบันดาลวิบาลรักษาให้ท่านทุกฟังทั้งหลาย